ชายสามคนนะเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งก็นัดเจอกันที่หัวลำโพงสถานีรถไฟหัวลำโพงเจอกันได้สักพักก็มีประกาศว่าขาบวนรถเนี่ยเลื่อนเวลาออกมีเวลาเยอะนะเกือบชั่วโมงทั้งสามคนก็เลยช่วนกันนะไปกินเบียร์กิน้นเพลินนะใกล้จะเมาแล้วรอกว่าได้ยินเสียงประกาศ ว่าขบวนรถนี่กำลังจะออกทั้งสามคนนี่รีบวิ่งสุดชีวิตเลยนะแล้วก็รถกออกใกล้กำลังจะออกแล้วก็วิ่งกันเต็มที่เลยปรากว่าสองคนเนี่ยสามารถวิ่งขึ้นรถได้ทันนะทิ้งเพื่อนอีกคนหนึ่งไว้ข้างหลังเพราะว่าอุ้ยอายนะวิ่งไม่ทันชายคนที่สามที่ถูกทิ้งนี่ก็ยืน หายใจเหนื่อยหอบเลยนะเหนื่อยมากสักพักก็หัวเราะเสียงดังเลยในสถานีรถไฟอยู่ไกลๆเลยงงเลยอหัวเราะทาไมอะ่ะขึ้นรถไฟไม่ทันไม่ใช่เหรอชายคนนั้นก็บอกว่าจะไม่หัวเราะได้ไงไอ้สองคนที่อยู่บนรถเนี่ยมันมาส่งผมลนะ <c oughs> คนส่งนี่วิ่งขึ้นรถนะลืมตัวนะ ลืมตัวเพราะความเมาแต่มันไม่ใช่เพราะความเมาอย่างเดียวนะมันเป็นเพราะว่าเพื่อนฝูงนะพากันวิ่งก็เลยวิ่งกันบ้างเห็นรถก็เลยเรียกวิ่งขึ้นรถลืมไหมว่าตัวเองนี่แค่มาส่งเพื่อนนะอันนี้ทาให้นึกถึงเหตุการณ์หนึ่งนะที่ภาคเหนือในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งนี่ท้องนะ ท้องแก่ใกล้คลอดเป็นท้องแรกด้วยก็มีเพื่อนเนี่ยมาเยี่ยมเยือนเยอะเลยไม่ต้องพูดถึงญาติมิตรนะเพราะว่าเป็นครอบครัวใหญ่จู่ๆเนี่ยผู้หญิงก็ปวดท้องฉับพลันเลยนะใกล้คลอดแล้วคนที่มาเยี่ยนก็รวมทั้งญาติมิตรที่อยู่ในบ้านก็ตื่นตกใจกัน ไปเรียกรถสองแถวมารถสองแถานี้ก็มาช้าเหลือเกินนะเพราะสมัยก่อนนี่ยี่สิบสาสิบปีก่อนนี่มันไม่ใช่ว่าในหมู่บ้านนี่จะมีรถเยอะนะระหว่างที่รอนี่หญนะิงสาวก็ร้องนะด้วยความปวดญาติญาติมิตรสหายนี่ก็ร้อนรอนกระวนกระวาย เมื่อไรรถมันจะมาสักทีนะพอรถมาถึงนี่คนก็เฮโลนะวิ่งขึ้นรถเลยเพราะว่ามันต้องด่วนนะผู้หญิงใกล้คอแล้วต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลทันทีเลยขึ้นรถสองเท้ากันพอเต็มรถนี่นะพ่อแม่ของผู้หญิงก็บอกให้รีบออกเลยรีบออกเลยโชฟอ์ก็ เร่งนะความเร็วทันทีเลยบอกกว่าทุกคนนี่คือรถหมดนะยกเว้นผู้หญิงเนี่ยคนที่ใกล้จะคลอดเนี่ยถูกทิ้งไว้คนเดียวนะนี่เรื่องจริงนะไอเรื่องเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นเรื่องเล่านะแต่อันนี้เรื่องจริงเลยนะทุกคนนี่ไปโรงพยาบาลหมดนะยกเว้น ผู้หญิงนะที่ใกล้คอดเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้อันนี้พ่ออะไรนะความแตกตื่นะความตื่นตกใจลนลานนะคิดแต่ว่าไงรถเนี่ยจะต้องรีบออกรีบออกคนที่อยู่ข้างหน้าก่อนนึกว่าหญิงสาวนี่อยู่ข้างหลังไอ้คนที่อยู่ข้างหลังก็คิดว่าหญิงสาวนี่อยู่ข้างหน้านะ ไม่ได้ไตตรวจสอบให้ถี่ถ้วนนะกว่าจะรู้ว่านะว่าทิ้งนะผู้หญิงเอาไว้นี่ที่บ้านนี่ก็รถก็ถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วถึงถึงรู้ว่าอาวมาคนทุกคนเลยนะยกเว้นผู้หญิงเนี่ยที่ใกล้คลอดในความลืมตัวนี่มันก็เกิดขึ้นได้ง่ายนะโดยเพราะเวลาที่มี ผู้คนเยอะแยะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยต่างคนต่างก็รีบต่างคนต่างก็ลนลานถ้าไม่ลืมตัวนะก็ลืมคนสำคัญนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะอะ่ก็มีเพื่อนเนี่ยนัดกันนะไปเที่ยวทะเลอายุก็ประมาณสัก 30-40 ่มันนะ เที่ยวทะเลอันดามันนะเพราะว่ามันมีปรกการังสวยสมัยนั้นพีพก็ยังไม่ย่าแย ม, มากนะคนทุกคนก็ไปลอยคอกันดูปรกการางังก็มีพียงคนหนึ่งเนี่ยอายุมาสัก40สิบเนี่ยแกก็ดูปรกการังเขาด้วยนะลอยคอโดยใช้ห่วงยาง นะน้ำมันใสมันนะแค่อยู่ผิวน้ำนี่ก็เห็นประการังแล้วถ้าใช้สน๊คลเกิลเนี่ยดูสักพักนี่ดูเต็มที่แล้วนะก็เหนื่อยขึ้นมาบนเรือเหลือนี่ก็ทอดสมอไว้นั่งพักอยู่พักใหญ่เลยนะจูกๆก็มีคนเห็นปลาโลมาอยู่ไม่ไกลเลยคนในเรือเนี่ยนะซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเนี่ย ก็เรีกกับโจลงเลยนะลงทะเลเลยนะจะว่ายน้ําไปหาปลาโลมาเพีอ่อนคนนั้นก็กระโดดโจลงตามไปด้วยพ่อใขกแขกก็โจกันพอลงน้ําแล้วเนี่ยสักพักแกก็ร้องโวยวายกูว่ายน้ําไม่เป็นกูว่ายน้ําไม่เป็นว่ายน้ําไม่เป็นลระโดดไปทํำมาก็เห็นเพื่อนโดดไงนะตัวเองก็โดดมั่ง ทำนะ ต, ตามกันนะคนเราเนี่ยบางทีพอทําตามกันไปแล้วมันก็ลืมตัวนะไหว้น้ําไม่เป็นแต่ว่าเห็นเพื่อนโดดก็โดดบ้างลืมนะลืมไปลว่าตัวเองไหว้น้ําไม่เป็นคล้ายๆกับสองคนเนี่ยที่วิ่งนะรีบขึ้นรเนี่ยเห็นเพื่อนวิ่งก็วิ่งบ้างแต่เพื่อนเพื่อ น, อนวิ่งเพื่อนตัวเองวิ่งเร็วกว่านั่นะก็เลยขึ้นรถได้ ลืมไหมว่าเรามาส่งเพื่อนเนี่ยนะเราไม่ได้มาเราไม่ได้เดินทางคนเรานี่ลืมตัวได้ง่ายนะโดยเพราะเวลาอยู่ท่ามกลางผู้คนเนี่ยคอเฮแล้วก็เฮด้วยตนะัวบางทีลืมไหมว่าให้เรามาทําไมหรือว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ลืมไหมว่าเอ้เราว่ายน้ําเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะเห็นเพื่อนโจดโดดลงน้ําก็โดดบ้าง เวลาอยู่กับผู้คนเนี่ยนะบางทีมันต้องมีสติให้มากนะไม่มีสตินี่พอเขาแตกตื่นแล้วก็แตกตื่นตามไปด้วยเฮโลไปด้วยแล้วนี่บางทีมันก็ทําให้เกิดสงสักตกรรมนะไอตัวอย่างที่เรามานี่มันก็แค่เรื่องเล็ก ๆ, ๆน้อยๆพลั้งเผลอลืมตัวไม่ไหนเสียหายมากแต่บางทีมันเสียหายมากนะ อย่างพวกที่เหยียบกันตายเนี่ยเหยียบกันตายเพราะว่าแตกตื่นเงินนี่เกิดขึ้นเยอะมากเลยยิ่งอยู่กับผู้คนมากๆนี่นะยิ่งต้องมีสติให้ดีนะใครก็ตื่นตกใจนะเราอย่าไปตื่นตกใจด้วยนะเพราะว่าพอตื่นตกใจแล้วเนี่ยการลืมตัวมันก็เกิดขึ้นไดง่าย บางทีไม่ได้ตื่นตกใจเพราะว่าเร่งรีบอะไรนะแต่จะเป็นเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นอยากไปดูบ้างหรือบางทีก็เกิดความกลัวอยากจะหนีถ้ามีสเตนี่อยู่กับผู้คนนี่มันก็ากลายเป็นกลายเป็นส่วนหนึ่งของฝูงชนไปเลยแล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวหรือแม้แต่อยู่คนเดียวก็ต้องระวังนะ เพราะว่าบางทีมีอะไรเร่งเรีบเนี่ยก็ลืมได้อย่างบางคนก็ลืมลูกนะไว้ในรถเพราะรีบนะรีบไปซื้อของทิ้งลูกไว้ในรถที่จอดไว้ในลานกว้างนะจะรีบไปซื้อของเอากลับมาอะเพิ่งรู้ว่าทิ้งลูกไว้ในรถนะรถนี่ก็อยู่กลางแดดเด็กก็ถูกแดดเผาบางคนก็แค่ป่วยหนักแต่บางคนก็ตายเลยก็มีไี่ต้องระมัดระวังมาก